พระธรรมเทศนาแผ่นที่86ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6ทธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าพระราชาหูเอียงหลวงพ่อมีสถานในวิทยุในวัดนะ แล้วกิไปดีที่สุดได้ไงก็ไม่อยากที่เด็ดมันเสขึ้นมาเอออันนี้คือรับจากวัดรับจากวัดป่าบ้านตาดรับจากดาวเทียบเลยอ่าลงมาที่นี่เกิกระจายในพื้นที่หลายอำเภอในละแวกนี้เพราะนั้นสถานีของหลวงพ่อเนี่ยร้อยเจ็ดจุดสองห้าเมกะเฮิร์ตอ่ในท้องถิ่นกระจายเสียงในท้องถิ่นจะมีเสียงหลวงตา กลางคืนมาลงตาเทศทั้งคืนอะไรพวกนั้นกลางวันนี่ก็สลับกันมีลงปูล่าลงปูลงตาบางลงปูต่างๆหือเทศนาในสถานนี้ีนหลวงพ่อหลวงพ่อน่าจะเอาถาวาพวกท่านทั้งหลายควบคุมได้นะแต่ก็ในวัดขอวงพ่อไม่มีโทรทัศน์โทรทัศน์ไม่ดูมันหลายแนวจะทําทให้ทำพระสมาธิแตก แต่ว่าตามพิจิงวิทยุเนี่ยหลวงพ่อ ก, ก็กำชับอีกเหมือนกันนะพวกท่านทั้งหลายเป็นคราว่าต์ก็ฟังมาพอแล้วเนระื่องโทรวิทยุถ้ามาเป็นพระเนะี่ยยัมาฟังวิทยุเสียงร้องรำทำเพลงเนะี่ยต้องออกจากวัดหลวงพ่อน ะ, อะถ้าฟังก็ต้องฟังเสียงเทศเนทะ่านั้นหลวงพ่อให้ฟังเทศโอ้เอายเนได้เหมาะเพื่อให้ฟังเสรยงแสดงธรรมกุ้งบาจานพอกลางคืนนี่ยนะประมาณสัก สองทุ่มแล้วไปสองทุ่มแล้วไปลงตาเขาจะเปิดเทศลงตาท่านแสดงอบรมพระนะอบรมพระเนะมตตาพูดเรื่องศินสมาธิปัญญามีแต่เรื่องต่อยกับกิเลสชาระกิเลสในจิต ใ, ในใจสองทุ่มถ้าใครใกล้อยู่สถานีลงตาให้เปิดฟังเนละแต่ฟังใหม่ๆจะไม่เข้าใจนะฟังเขาไปลงตาพูดอะไรแต่พอฟังหลายๆต้งนานเข้าศึกษาไปแล้วโอ้ลงตาพูด พูดถึงด้านจิตด้านใจจริงๆพวกเราจะเข้าใจแต่ด้วยว่าลงุงลุงตานะ่ยพูดใหม่ๆจะไม่เข้าใจนะแต่ลุงพอ่อเนี่ยลุงพ่อพูดได้เลยว่าเทศของลุงพ่อเนี่ยลุงพ่อปูพื้นเหมือนกับเหรียญกอไก่ข้อไข่ข้อขวดข้อควายคอโคดละเสะอาสละอาประลบปสมเข้าไปถ้าฟังแล้วไม่ต้องแปรลุงเทศลุงพอนะ่อพูดได้เลยเลยทศแล้วไม่ต้องแปลเข้าใจ แต่เทศลงตาเนี่ยเป็นท่านเทศขั้นมัธยมขึ้นไปแล้วเออมัธยมกับผสมสละอาสลอาเรื่องกิเลสเรื่องอะไรเรื่องสับเรื่องแสงเรื่องอะไรเนี่ยรู้แล้วพอท่านพูดเข้าไปในพวกที่ไม่เคยเรียนสับแสงมาก่อนฟังแล้วงงเลยแล้วกันเออไม่เข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วจะไดโอ้หเทศของหลวงพอ่อเทศของครูบาอาจารย์เนี่ย อกเงยดนเนี่ยทิ้งข้างหลังหมดเลยแปลว่าฟังไม่เข้าหูอะไรสอฟังแล้วไม่ถึงใจถ้าอยากจะฟังของหลวงตาเท่านั้น่ะออฟังแล้วอย่างนี้ที่เทศเนแสดงทําให้ฟังแนวความคิดนนี่แหละอันนี้คือธรรมเทศนาอันนี้หลวงพ่อแนะนําไว้ก่อนว่าการฟังเทศของหลวงตาเนี่ยโดยมากฟังใหม่ๆจะไม่เข้าใจได้ลูกหลานเนาะ ถ้าฟังศึกษาไปนานๆจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วจะนี่ลึกซึ้งมากเพราะท่านพูดเรื่องเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องกิเลสกับธรรมธรรมกับกิเลสกิเลสกับใจใจกับกิเลสมันเป็นยังไงเนี่ยแต่จำจำบ่าวของหลวงพ่อหลวงพ่อพูอพดได้เลยว่าเด็กหลวงพ่อเรียนตั้งแต่กอไก่เนี่ยแน่นหลวงพ่อก็บอกกับพระพระก็จะจะรักษาและก็เลยลากสายเข้ามา เขามาเขามาอยู่แต่เฉพาะกลุ่มท่านเองให้องค์เดียวที่สององค์เขาไปดูเท่านั้นองค์อื่นไม่เกี่ยวข้องไม่ให้วันนั้นหลวงพ่อเทศตอนเช้าทุกเช้าอย่างมื้อเช้านี่หลวงพ่อเทศเรื่องกกานอิจฉาบอหลวพ่ อ, อยังพูดได้อยู่หลวงพ่อก็พูดเอเกิดมาทั้งทีจะอิจฉากันเน้อการอิจฉางันเป็นทำถนนทางทางหรือทำถนนไปสู่อเวจีมหานรกการอิจฉาพยาบาท การอิจฉากันออหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเมื่อเช้าเนี่ยนะแอ้วในเขาพอเสร็จแล้วก็หลวงพ่อเทโฉเขาเอาเข้ามาเอาเข้ามาเขาก็ส่งขึ้นส่งไปกรุงเทพไป็นเสื้อเขาก็เขาก็ขึ้นไปเข้าไปในเฟสเลยท่านะอพอเฟสแล้วเฟสกระจายนู่นน่ะอยู่อังกฤษอเมริกาอยู่ทั่วโลกไหนได้ยินมดป้านนี่เฟสตัวนี้ดังไปไกลจริงๆเออถ้าว่า ถ้าดัไปดังดีมันจะดีไกลนะถ้าดาไปทางที่ไม่ดีดีไกลไม่ดีไกลเหมือนกันนะมันมันมันคู่กันเป็นเหมือนกันแต่เมื่อเช้านี่หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันเครื่องบาปบุญคุณโทษการอยู่ด้วยกันอย่าไปอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกับพระพุทธเจ้าท่านสมัย สมัยเมื่อ พ, พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระพุทธองครร์ปารลบเรื่องนางกินจามนุิยกาศนางกินจามนิษกาใส่ใส่ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าและก็แผนดินสุกในหน้าวัดป่าเชิตะวันมหาวิหารหลวงพ่อปารลบอย่างนั้นนะเพราะความอิจฉาเพราะนั้นความอิจฉานไม่เป็นไม่เป็นผลดีสาหรับพวกเรา ได้ยินเรื่องอะไรมาก็ตามถ้าว่าเป็นเรื่องดีเราก็พรอยยินดีกับเขาเออแสดงความยินดีด้วยนะที่ได้ดีเพราะคนเราเไม่เหมือนกันเกิดมาในโลกนะเกิดมาบางคนก็บุญกุศลในอดีตชาติเกื้อกูลหนุนมาแต่บางคนก็บาปอกุศลเกื้อกูลหนุนเช่นเดียวกันเพราะนั้นคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันเออ ลูกความฉลาดก็ไม่เหมือนกันความร่ํำรวยก็ไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวก็ไม่เหมือนกันความเฉลียวฉลาดก็ไม่เหมือนกันยศถาบรรทักดาศักก์ก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าการสั่งสมปริมีของคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเกิดมาจะเปอิจฉาคนอื่นเขาก็เท่านั้นแหละหทําให้ตัวเองจิตใ จ, จของเราเศร้าหมองตกต่ำอีกต่างหาก หลวงพ่อพูดเพิ่งเช้านีหลวงพ่อก็เลยยกนางจินจามานวิกในอดีตชาติพระเจ้องค์บอกว่านางจินจามา น, นิวิกาเนี่ยไม่ใช่อิจฉาแต่เราไม่ใช่อิจฉาแต่เราในชาติปัจจุบันนะอดีตชาติเขาอิจฉามาแล้วกับเรานจนเราเกือบตายพระสงฆ์ก็เลยถามพระพุทธเจ้าวันในชาติไหนพระเจ้าคะ่ะพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่ง เราเกิดอยู่ที่กรุงพาราณสีพ่อบับพพระบิดาของเราชื่อพระเจ้าพมระทัดเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพ่อพระเจ้าพา ร, ราณสีจะตามมาจริงพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเก่าเขามีอครมเหสีน้อยใหญ่มีอครมเหสีมากต่อมาเราเนี่ยเกิดเป็นลูกอครมเหสีใหญ่ของพระเจ้าพรมประทัด ต่อมาไปเจ้าพรหมทัตุียก็เลยมีอคคามเฮสอัคคามเฮสสีน้อยมาแต่นี้ลูกของอัคคามเหสสีใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วหน้าตาเซตสวยงดงามเราเกิดมาในขานะั้นสะอาดสะองค์เออเหมือนเป็นด า, าราลักษณะอย่างนั้นนะตอนนี้อคคามเหสีใหม่เนี่ยก็รักชอบอกับลูกชายของอคคามเฮสสีใหญ่ เล้วกิด ใ, ใครก็ว่าจะเอามาเป็นมาเป็นแฟนลักษณะอย่างนั้นแ่ะแต่แต่เราอชื่ อ, อประทุมประทุมระประทุมมรัตกุ ม, มารเราเป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเราไม่ต่อเติมเราไม่ส่งเสริมเราเราไม่ทําเราจะเป็นเมีย เป็นสามีของเอมียพ่ออีกได้ยังไงเพราะพ่อของเราเป็นอัครมเหตุสีของบิดาของเราแล้วนะแต่เราก็เลยไม่ยอหมหัวเด็ดตีนขาดนางนั้นก็เลยหาเรื่องใส่ที่นีมพอหาเรื่องใส่ก็เลยบอกว่าเราเนี่ยขมขืนน้ำจิตน้ำใจของเขา ทำให้เขาทชกในี่ลูกชายของของขอ ง, ขอ ง, ข, องของท่านพระเจ้าพระบิดาก็ไม่ได้กันกองไตร่ตรองด้วยเหตุผลจับเราเลยพอจับเราก็ไปโยนลงหน้าผาเราอย่างดียังมี ม, มีบุญเรามีบุญคุ้มครองเราก็ไปตกลงไปในหน้าผากันเลยพวกนากพวกเทวดาก็เลยเอาพาเราไปเอาไปเก็บไว้ อยู่เมืองนาคอยู่นานพอทุ่งขวดจากนั้นเราก็ยชีวิตนี้ทำไมมันละหกระเหินมากหนักเราก็ได้ขอจากเมืองพญานาคที่ท่านดูแลเราเราก็มาบวชเป็นเลสือสีอยู่ในป่าหิมพานตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกโดยเด็ดขาดในชาตินี้ข้าพเจ้าก็เลยไปบวชอยู่ในป่าเออโดยลำพังจากนั้น พลาดพลานของพระเจ้าพมธาตุเนี่ยก็เลยไปเที่ยวป่าดงไปก็ไปเจอกับฤศีขนนี่แหะไรถามให้ท่านฤศีมาอยู่ยังไงมาอยู่อย่างนี้ก็เลยบอกฟังว่าเนี่ยผมข้าพเจ้าเนี่ยเป็นลูกของเป็นลูกชายของพระเจ้าพมธาตุนะที่ท่านไปโยนลงในหน้าผาเขาวนั่นแหละคงจะได้ยินเสียงดงดังไปแต่ข้าพเจ้าไม่ตายข้าพเจ้ามานี่แหะแต่ตามไม่จริงข้าพเจ้าไม่มีอะไรนะข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ว่าท่านข้าพระเจ้าจึงไม่ตายแต่ข้าพรเจ้านยะมาบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าอยู่เนี่ยบำเพ็ญในป่าข้าพรเจ้าไม่เอาอีกแล้วโลกนะน่าเบื่อจริงๆจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินกอกได้ยินข่าวจากพ่านป่าก็เลยยกทัพไปก็เลยไปขอไปหาลูกชายไปก็เป็นลูกชายจริงๆและก็ขอร้องให้มาครองราชสมบัติลูกชายก็บอกเอาเถอะ ยังเคารบพพระบิดาอย่างเดิมไม่มีการแปรผันแต่ข้าพเจ้าเนี่ยตัดสินใจโดยเด็ดขาดแล้วว่าจะไม่ขอของฆราวาสอีกเพราะข้าพจาเจ้าในวันนั้นข้าพเจ้ารูารา้ชัดแล้วว่าการเป็นฆราวาสเรือว่าการอยู่ชีวิตอย่างนั้นมันดูดูแล้วมันไม่ปลอดภัยเลย พนังข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วข้าพเจ้าจะบวชลือศีตลอดไปนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันหนะลวงพอบอกว่ า, าพระบิดาก็เหมือนกันถ้าได้ยินข้างใดข้างหนึ่งก็หูเอียงเพราะนั้นเราทุกคนที่มีญาติติโกโหติกามีลูกหลานญาติพี่น้องถ้าใครพูดอะไรเข้ามาเราต้องการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอย่าไปฟังข้างเดียวอย่าไปฟังแบบ ฟังแล้วก็เชื่อไปเลยโดยที่ไม่ฟังเหตุฟังผลเขาอาจจะมีเหตุมีผลอยู่เขาอาจจะให้เหตุผลว่ามันเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเราก็จะต้องฟังอันนี้เนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยหูเบาเกินไปพอฟังอักคระไปเหตุสีน้อยเท่านั้นแหละไอนนก็เลยฆ่าลูกชายตนเองโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านเนี่ยแหละอันนี้ลูกชายก็เลยจำเนกผิดอย่างแรงแล้วเราเกิดมาในพื้นแ ผ, แผ่นดินแห่งนี้ เราได้รับทุกโทษอย่างมหันด้วยความขาดความรอบครอบของพระบิดานะบนพระบิดาน่าจะฟังจะก่อนตรวจตราดูให้ละเอียดทีท่วนจะก่อนใครผิดถูกว่ายังไงอันนี้ฟังข้างเดียวเลยกค่าคนหนึ่งไปเลยไม่น่าจะถูกต้องแต่ข้าพระเจ้าขอยอมในชาตินี้ขอเป็นฤือสีตลอดชีวิตนี่แหละ จากนั้นพระเจ้าแผ่นดินไปขอลูกชายลูกชายก็ไม่ยอมท่า น, นก็กลับมาแล้ะถาบซื้อพร้อมว่ามันเป็นเรื่องอย่างไงท่าก็เลยถามสืบสอบวันนี้อคาเมเหสสีน้อ ย, ยหาเรื่องใส่ลูกชายจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยสำเร็จโทษอคาเมเเ ห, เหสีน้อยอีกนี่แหละเ่อนิทานคราวตั้งแต่คราวนั้นแหละตั้งแต่ชาตินั้นแหละกินจามนุวิ ก, กาเนี่อจกพยาบาล ปยาบาทอาฆาตจองเวรเขเราตถาคตมาโดยตลอดมาในชาตินี้เนี่ยเขาเห็นเราแล้วก็เนี่ยอิจฉาเราอย่างมากๆจากดังั้นเขาก็ไปเป็นลูกศิษย์ของเดลฤทธนิครนคือเป็นเป็นลูกศิษย์ของคนนอกศาสนาตรงข้ามกับพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเขาก็ไปหาพวกนั้นแหละเลื่อมใสนับถือคนนอกศาสนาที่เป็น เออที่เป็นพวกชีโปงชีเปื้อยนยะอินเดียมีมีมากนะต่ก็ไปหาเขาก็บอกว่าจินจามานิวิกจินจามานิวิกเนี่เป็นรูปร่างงดงามสวยงามเกิดมาในชาตินี่จินจามานิวิกเธอเห็นไหมนะ่ะสมณโคดมพุทธเจ้าเนะี่ยเหมือนกับแสงพระอาทิตย์อ่าแสงสว่างขึ้นมาพวกเรานะ่ยเป็นเหมือนแสงหิ่งห้อยพ ร, พระอาทิตย์ขึ้นมาเราไม่ไม่มี ไม่มีแสงเลยแสงพระทิตคุบขอบงามหมดเพราะฉะนั้นเราจะจัดการยังไงเธอต้องคิดนะอา้าวใช่ดิฉันรับรองแล้วจะจัดการให้อาจากนั้นเป็นคนมีปัญญาด้วยใ น, นความอิจฉาในจิตใจก่อนเตรียมล้นด้วยแล้วก็บาปกรรมในอดีต ท, ที่จองพยาบาทอาฆาตจองเวทในอดีตก็มีด้วยนะ เ, เพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็เลย นางก็เลยหาเรื่องใส่พระพุท ธ, ธเจ้านะจนถึงวันหนึ่ง เ, เขาก็หาเรื่องจนคนรู้จักนั่นนะอ่ะวันหนึ่งพระพุทธเจ้ากาลังแสดงธรรมอยู่ในพุทธบริษัทสี่ในถ้มกลางนางก็ไปยืนจังก้าอยู่ในต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าในสาธารณชนอยากพวกเรามานั่งฟังด้วยนะ นางก็ยืนขึ้นคนมันเป็นหลายร้อยหลายพันบอกสมณะโครมท่านมีแต่พูดแสดงธรรมมแต่พูดอะไรตกใครฟังท่านทำอะไรกับข้าพเจ้าเเห็นไหมท้องโยแล้วท่านทำไมไม่จัดการหาที่คอดให้ข้าพเจ้าบางังถ้าท่านไม่ทำเองก็บอกให้อนาถาบดีกเกษธีนางวิสาขาพระเจ้าประสิทธิโกศน ที่เป็นสิทธิ์ของท่านจัดสถานที่คอดให้ข้าพเจ้าด้วยพระพุทธองค์บอกว่ากินจามนวิกไม่มีใครที่จะรู้เรื่องอย่างนี้นะ่ะมีแต่เธอกับเราเท่านั้นเองรู้นางกินจามนาวิกก็บอกว่าก็ใช่เลยสิจะมีใครรู้กันมีแต่ท่านกับอฉันเท่า น, นั้นแหละรู้จะให้ใครรู้ล่ะมันเป็นเรื่องของของเรา ท่านกับเราใช่พอวาาท่้นพระอินอยู่บนสวรรค์ร้อนถึงพระอินทร์เลยสิถ้าข่าวนั้น ถ, ถ้าเทวดาไม่มาช่วย น, นก็คงจะใครจะคงจะพิสูจน์กันพอซุ้มขวนอย่างนันแต่นี้พระอินเอ์จําแรงตัวเป็นหนูออกมาเลยมาก็มากัดมากัดเชือกอที่มัดกับท้องเอาไว้ที่มัดท่อนไม้เอาไวนะ้ะมัดท้องไม้แล้วเอาผ้าคุมเอาไว้ เหมือนกับทำเป็นเหมือนท้องใหญ่เออจากนั้นหนูก็กัดพอการไม้หล่นลงไปทับหัวไปเท้าเลยงั้นนะพอหลุดออกไปขย้งเลยพอเยงพวกนั่งฟังเทศเดี๋ยนอ้าวอีนี้มันหาเรื่องใส่สมณะโครมพุทธะของเราเนี่ยก็คของตบไปคนลปุกสองปุกกันหะเอีนางก็เลยออกไปพอพ้นวัดนะแผ่นดินก็เลยแยก แผ่นดินสู่ลงสู่อเวจีมหานรกนต่อูคู่คนทั้งหลายที่ได้เห็นนี่แหละนิทานหรือว่าเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลก็เพราะว่านี่หละความอิจฉาคือส่วนหนึ่งของพวกดเดเดเลถีนี่ขนว่าจ้างให้ทำเลอีกอย่างหนึ่งก็คือ น, นางกนเน่นางกิจจามนวิกเนี่ย คิดได้ยังไงจึงทําจึกอิจฉาขนาดนั้นที่ทำเรื่องราวให้เกิดขึ้นจนถึงให้ เ, เรื่องราวดังไปทุกหัวและแห่งจนเป็นเรื่องราวขึ้นมาเพราะนั้นน่ะในศาสนาของพุทธเจ้านั่นคือเทวทัตองค์หนึ่งแผ่นดินสูบนะแล้วก็จินจามนวิ ก, การเนี่ยองค์คนหนึ่งสุปาพุทธะคนหนึ่งสี่ห้าคนนะที่แผ่นดินสูบในครั้งพุทธกาลในครั้งพพุทธเจ้า แปล ว, ว่าบาปหนักอนนันตริยกรรมนี่แหละอันนี้แหละคือหลวงพ่อบอกว่าการอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันทำให้ทางถนนทำทำหนทางไปสู่เอเวจีมหานรกเพราะนั้นพวกเราทุกคนเนะเกิดมาในพื้นเกิดมาในโลกมันบาปข้องกรรมข้องไขของเํามันเกิดเป็นหมามันก่บาปทำกรรมมันทำได สร้างบาปมาเป็นหมาเกิดมาจึงได้เป็นหมาเกิดมาเป็นคนจนมันก็ได้เป็นคนจนเพราะอะไรเพราะมันถาบมันไม่ได้ทําไม่ได้สร้างบุญกุศลถ้าคนเป็นคนรวยเขาพ่อเขาได้ทําบุญกุศลไว้ในอดีตมันจึงรวย เ, เขาได้เป็นยศเขาได้ยศฐาบนบรรดาศักดิ์สูงก็เพราะว่าเขาได้ทําไว้ในอดีตแต่ชาติมันมีที่ไปที่มานะลูกหลานนะออในคร้างวัดพุทธเจ้าก็เหมือนกัน อย่างระษีวุลีทําไมรวยไปที่ไหนน่รวยทั้งหมดมีแต่คนมาทําบุญทําทานกับพระษีวุลีแต่พระติดสะองค์หนึ่งน่ะบินทาบาทอะไรไม่ได้ฉันฉันจันันหันไม่อิ่มเลยตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดมากินกินข้าวมาไม่เคยอิม่มก็พเพราะอะไรก็เพราะความอิจฉาตัวนี้แหละตัวนี้ก็ทําให้พระติดสระนี่จนถึงแต่ท่านกระบําเพ็ญ น, นะจะได้สําเร็จเป็นพระทหาร แต่บาปกรรมของท่านเนบาปกรรมก็ให้ผลเ อ, อเรื่องจิตใจีนส่วนหนึ่งนะมักผลที่พานมีอยู่แต่ว่าการเป็นอยู่ของท่านบาปกรรมของท่านอีกส่วนหนึ่งเนี่ยท่านก็ได้รับผลของกรรมจนถึงวันทุดท้ายออปกติศาสเธอเธอเคยทานอาหารอิม่มไหมฉันอาหารไม่เคยอิ่มครับมันหายไปอาหารบางทีก็หายาได้บาดไปบางทีก็บาดคว่ําไปบางทีก็ ไม่มีใครใส่อาหารให้ฉันเอาเถอะวันนี้เราจะจับขอบบาทให้ให้ท่านนั่งฉันภาษาลีบุตรนั่งจับขอบบาททั้งสองข้างไปฏิสัมเป็นผู้นั่งฉันนั่งฉันเสร็จแล้วก็อิ่มอิ่มวันนั้น่เป็นวันสุดท้ายเพราะอิ่มเสร็จแล้วโอ้ข้าพระ อ, องค์ขอลาปรินิพานท่าไปเจ้าขาในวันนี้อครับผมพระอภัยชา เออเอาไปตามการอันควรของเธอทถอะนะจากนั้นก็ท่านก็ปรินิพพานในวันนั้นนี่แหละแต่ทำไมไม่เหมือนกันได้เป็นพระหารเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันเพราะว่าบุญกุศลมันต่างกันเพราะนั้นโลกทางโลกน่พวกเรามองดูใชนะมันต่างกันหมดนะเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพในวันเดือนหกเพ็นนั้น พอถึงเที่ยงคืนหมจุตูปะป่ะปะาแต่ยานการเกิดการตายของสรตวสัตว์ทั้งหลายแตกแตกต่างกันรูปร่างกลางตัวไม่เหมือนกันความโง่ความฉลาดไม่เหมือนกันความล่ำมั่งมีสีสุขไม่เหมือนกันร่างกายสังขารแตกแต ก, กต่างกันทั้งที่เป็นเกิดมาถ้าเป็นหูหนวกตาบอดบ้าใบไม่มีทําไมยังไม่เหมือนกันเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกัน พ่อบาปบาปกรรมกูศลกรรมเป็นผู้จำแนกให้กับให้สรพรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกันถ้าใครทำกรรมชั่วกับชั่วจะให้ผลถ้าใครทำกรรมดีกรรมดีจะให้ผลเพราะฉะนั้นกรรมดีกับกรรมชั่วให้ผลต่างกันเนีพี่น้องลูกหลานสถาญาตโยมอย่างที่หลวงพ่อไปพูดบอกวันนี่นะมนุษย์ของเราเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ย พวกเราเสาะแสวงหาทรัพย์เนี่ยหามาอย่างมากตั้งแต่เต็งเป็นเด็กนักเรียนเรียนทั้งสือ่อาจากนั้นก็นพอได้ทําการทํางานแล้วก็หาเงินพอได้หาเงินเข้ามาแล้วก็เก็บเงินเงินในส่งเราถึงโรงพยาบาลอาพี่น้องให้สังเกตดูนะเราได้เงินมาแล้วก็เวลาเจ็บไข้ได้พัวก็ส่งโรงพยาบาลพอ ก, กลับมาแล้วก็ส่งถึงโรงพยาบาลกลับมาอีกส่งโรงพยาบาล หลายครั้งต่อหลายหนเพราะจากนั้นก็ตายตายในโรงพยาบาลพอตายเสร็จแล้วก็ญาติโกโหติกาที่รักรเคารพคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายพี่ป้าน้าอาลูกหลานที่รักเคารพกันเอาศพเขามามาบําเพ็ญกุศลพอม า, มาบําเพ็ญกุศลเสร็จแล้วเอพอถึงครบกําหนดวันเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวัน ขอพลัดก็ส่งไปถึงเบนพอไปส่งไปถึงเบนแล้วนะเออเาเอาขึ้นเมนเสร็จแล้วก็วางดอกไม้จันทรนะ์เลยเราก็ไปวางรอกไม้จันทะร์ถึงจะรักเคารพรักกันขนาดไหนก็ถือทศสามีภรรยาเอรักกันขนาดไหนก็ตือพอเสร็จแล้วก็ไปวางดอกไม้จันทร์เอาเนอะไปดีนะเนอร์ให้อภัยกันเนอะรเอาโหสิกรรมกันเนอะรอย่าไปจองเวรจองกรรมกันเนอะร ท่านก็ให้อโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ให้อโหสิกรรมให้กับท่านขอให้ท่านไปดีเนอะเพียงแค่นั้นแล้วไม่มีใครที่จะกระโดดเข้าไปอยู่ในเมรุกับคนตายใช่พอเสร็จแล้วก็หันหลังมาขะมาตั้งเก้าอีอย่างนั้นก็ไฟก็เผาอะไรกันพอฟอว์ขึ้นมาเกิดยังเหลือแต่กระดูกเออบัตเต้กันเนี่ล่ะอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถโปรโสยา ตนแล่เป็นที่พึ่งของตนอัตหิอัตโนนาโถตนแล่เป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราจากนั้นวิญญาณในใจของเราเนี่ยออกจากร่างที่เขาเผาแล้วไไปตามลำพังแล้วถ้าเราได้ทำบุญเอาไว้บุญนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองถ้าใครทาบาปเอาไว้ บาปนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองแต่บุญกับบาปนำไปไม่เหมือนกันเลยถ้าบุญนำไปเนี่ยเหมือนกับเรามีเงินในกระเป๋าใช่ไหมละ่ะไอบาปนำไปเนี่ยแปลว่าเหมือนกับเราไม่มีเงินเลยแม้แต่จะตางเดียวอยู่ในกระเป๋านี่นแหละไอความจนความจนกับความรวยนี่นำไปมันต่างกันเลยไอคนรวยนำไปความรวยนำไปกับความจนนำไปมันต่างกันถ้าคน รวยนำไปเงิ น, นเต็มกระเป๋าเราจะไปที่ไหนเราจะมัอไปซื้อที่ไหนเราจะไปอยู่ที่ไหนจะไปสร้างบ้านที่ไหนจะไปประเทศไหน เ, เรามีเงินมีบัตรเครดิตเต็มไปหมดเราจะเอาที่ไหน เ, เราจะไปประเทศไหนก็ได้แต่เราไม่มีเงินถ้ามีเงินน้อยมีเงินยุตแต่ไม่มาก แต่เงินน้อยเน่ยเราจะไปอังกฤษอเมริกาไปยุโรปไม่ได้แล้วไปได้แต่ประเทศเลาวบอกกับประเทศเขมรแถบนี้แหละเราไปได้แค่นาที่เพราะอะไรเพราะเงินเราน้อยฮถ้าเงินเรามากเราไปได้ทั่วโลกซื้อเครื่องบินก็ได้ซื้อเรือยอทก็ได้อะไรได้ทั้งหมดเพราะเรารวยใช่ไหมล่ะนี่แหละอันนี้รวยพาไปแต่จนพาไปประเดงออกจากล่างนี่ไปตายไม่มีเงินเลยเออไปมอกไปมองไ ป, มอ ง, ไปมองมา ไปเห็นท้องหมาก็ไปเกิดเป็นหมาเอไปเห็นอะไรไปวัวเป็นควายสร้างหมาวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปเกิดได้ทั้งนั้นเท่านั้นเทั้พราะ อ, อะเพราะบาปกรรมพาไปแล้วเพิกมากกว่านั้นถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะพาไปตกนรกซะก่อนเหมือนกับนี่หละพอตายไปเสร็จแล้วคุณทํากรรมอะไรอันไหนไว้ละ่ะไปเอาไปเข้าคุกอําเภอซะก่อนไปห้องขังอําเภอซะก่อนไปข้องขังตํารวจซะก่อนพอตํารวจเสร็จแล้ว เออมันโทษหนักดีวะไปส่งไปส่งไปห้องขังจังหวัดอุดอรไปพอข้างตังเอออันนี้มันโทษหนักดีวะไปส่งไปลาดยาวไปส่งไปบางขวางไปขังคุกใหญ่ท่นเนี่ยแหละมันบาปกรรมอกุศลมันส่งไปอย่างนั้นนะเออถ้าเราทำกรรมชั่วเน่ยกรรมชั่วให้สนผลลงไปสู่อเวจีมหานรกเออมีหลายหลุมอีกต่างหาก ถ้าบุญกุศลส่งเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอากะตะังลุกตะตังเสยโยปัตช่าตปติลุกตะตังกรรมชั่วอย่าทำเฉยดีกว่ากรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเฉยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทาชั่วพูดชั่ว กรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังฟังเอาไว้นะลูกนานนะเอาละพอวันนี้นะ